ธรรมบทแปลเรื่องที่103เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะภาคที่หเรื่องที่9ของวร์ที่9ป้าปวักวัณน า, นาข้อความเบื้องตน้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรนายพรานสุนัขชื่อโกกะแต่พระธรรมเทศนานี้ว่า โยอัปปุทธสะนรสะดุสติเป็นตน้นตอนนายพรานพบพระเถระเที่ยวบินทบาทได้ยินว่าเวลาเช้าวันหนึ่งนายพรานนั้นถือธนูมีสุนัขห้อมล้อมออกไปป่าพบภิกษุถือบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทในระหว่างทางโกรธแล้วพระางคิดว่า เราพบคนกาลกณนีวันนี้จักไม่ได้สิ่งอะไรเลยดังนี้จึงหลีกไปฝ่ายพระเถระเที่ยวบินธบัตในหมู่บ้านทำพัฒกิจแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีกตอนนายพรานให้สุนักกัดพระเถระฝ่ายนายพรานนอกนี้เที่ยวไปในป่าไม่ได้อะไรอะไรเมื่อกลับมาก็พบพระเถระอีกจึงคิดว่า วันนี้เราพบคนกาลกณีนี้แล้วไปป่าจึงไม่ได้อะไรอะไรบัดนี้เธอได้มาเผชิญหน้าของเราแม้อีกเราจะให้สุนัขทั้งหลายกัดพระรูปนั้นเสียดังนี้แล้วจึงให้สัญญาปล่อยสุนัขไปพระเถระอ้อนวอนว่าอุบาสกท่านอย่าทําอย่างนั้นเขาร้องบอกว่าวันนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้อะไรเพราะประสบท่านท่านก็มาประสบข้าพเจ้าแม้อีกข้าพเจ้าจักให้สุนักกัดท่านดังนี้แล้วจึงยุสุนักให้กัดพระเถระรีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็วนั่งในที่สูงชั่วบุรุษหนึ่งสุนักทั้งหลายก็พากันล้อมต้นไม้ไว้ตอนนายพรานแทงพระเถระนายโกกะไปแล้วร้องบอกว่า ท่านแม้ขึ้นต้นไม้ก็ไม่มีความพ้นไปได้ดังนี้แล้วจึงแทงพื้นเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศรพระเถระได้แต่อ้อนวอนว่าขอท่านอย่าทำอย่างนั้นนายโกกะนอกนี้ไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของท่านกลับแทงกระนำใหญ่พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหนึ่งถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้น ยอนเท้าที่สองลงแม้มื่อเท้าที่สองนั้นถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้นเสียนายโกกะไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของพระเถระแทงพื้นเท้าทั้งสองแล้วด้วยอาการอย่างน้เทียวสรีระของพระเถระได้เป็นดุจถูกรมด้วยครบเเริงท่านเสวยเวทนาไม่สามารถจะคุ้มสติไว้ได้จีวรที่ท่านหม่ม แม้หลุดลงก็กำหนดไม่ได้จีวร น, นั้นเมื่อตกลงก็ตกลงมาคลุมลายโกกะนั่นแหละตั้งแต่ศีรษะทีเดียวตอนฝูงสุนัขรุมกัดในพรานเหล่าสุนัข ก, กรูกันเข้าไปในระหว่างจีวรด้วยสำคัญว่าพระเถ ร, ระตกลงมาดังนี้แล้วก็รุมกัดกินเจ้าของของตน ทำให้เหลืออยู่เพียงกระดูกสุนัขทั้งหลายออกมาจากระหว่างจีวรแล้วได้ยืนอยู่นภายนอกที่นั้นพระเถระจึงหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งขวางสุนัขเหล่านั้นเหล่าสุนัขเห็นพระเถระแล้วรู้ว่าพวกตัวกัดกินเจ้าของเองจึงหนีเข้าป่าตอนพระเถระสงสัยในศีลและสมณภาพของตน พระเถระเกิดความสงสัยขึ้นว่าบุุรนั่นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเราชิบหายแล้วสีลของเราไม่ด่างพร้อยหรือหนอท่านลงจากต้นไม้แล้วไปสู่สำนักของรัศดากราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นอาศัยจีวรของข้าพระองค์ชิบหายแล้ว ศีลของข้าพระองค์ไม่ด่างพร้อยแล้วหรือสมณภาพของข้าพระองค์ยังคงมีอยู่แลหรือตอนพระศาสดาทรงรับรองศีลและสมณภาพพระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระเถระนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่งพร้อยสมณภาพของเธอนั้นยังมีอยู่เขาประทุสร้าย ต่อเธอผู้ไม่ประทุสร้ายจึงถึงความพินาศทั้งไม่ใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ประทุสร้ายต่อผู้ไม่ประทุสร้ายทั้งหลายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าตอนบุพกรรมของนายพราน ดังได้สดับมาในอดีตการหมอผู้หนึ่งเที่ยวไปถึงหมู่บ้านเพื่อต้องการประกอบเวชกรรมไม่ได้กรรมอะไรอะไรอันความหิวรบกวนแล้วออกไปพบเด็กๆ เ, เป็นอันมากกำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้านจึงคิดว่าเราจะให้งูกัดเด็กเหล่านี้แล้วรักษาก็จะได้อาหารดังนี้แล้ว จึงสแสดงงูนอนชูศีรษะในโพรงไม้แห่งหนึ่งบอกว่าแน่เจ้าเด็กผู้เจริญทั้งหลายนั่นลูกนกสาริกาพวกเจ้าจงจับมันท่านใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งจับงูที่คออย่างมั่นดึงออกมารู้ว่ามันเป็นงูจึงร้องขึ้นสลัดไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกลงูรัดก้นคอของหมอกัดอย่างถนัด ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองนายโกกับพรานสุนักนี้แม้ในการก่อนก็ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วอย่างนี้เหมือนกันพระศาสดาเมื่อทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธ์ที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยอัปปุทธสนรสดุสติ สุทัสสะโปสัสสะอนังกล้สะตเมวะบาลังปเจติปาปังสุขโมระโจปฏติวาตังวคิตโตติผู้ใดประทุสร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุสร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตุดเนินบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนผ่านนั่นเองเหมือนธุลีอันละเอียด ที่เขาซัดทวน ล, ลมไปฉะนั้นแกอัดเบนดานบทเหล่านั้นบทว่าอัปปุทสศะ์คือผู้ไม่ประทุสร้ายต่อตนหรือต่อสรรพสัตว์บทว่านรัสสะได้แก่สัตว์บทว่ารุสติแปลว่าย่อมประพฤติผิดบทว่าสุทสสะคือผู้ไม่มีความผิดเลย แม้คำว่าโปสสัสนี้ก็เป็นชื่อของสัตว์นั่นเองโดยอาการอื่นบทว่าอนังกนัสะคือผู้ไม่มีกิเลสคำว่าปเจติตัดบทเป็นปฏิเอติแปลว่าย่อมกลับถึงบทว่าปฏิวาตังเป็นต้นความว่าธุรีที่ละเอียด อันบรุษผู้หนึ่งซัดไปด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลมย่อมกลับถึงบุรุษนั้นเองคือตกลงที่เบื้องบนของผู้สัดไปนั่นเองฉันใดบุคคลใดเมื่อให้การประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นชื่อว่าย่อมประทุษร้ายต่อบุรุษผู้ไม่ประทุษร้ายบาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบันนี้ หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นในพบหน้าชื่อว่าย่อมกลับถึงบุคคล น, นั้นแหละผู้เป็นพานโดยสามารถวิบากทุกข์ฉะนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในพระอรหัตผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แล เรื่องนายพรานสุนักชื่อโกกาจบ